บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธรุชนทั้งหลายเสืบต่อไปการใบบัติกรรมฐานหรือที่เรียกว่าภาวนานั้นโดยจุดมุ่งหมายแล้วก็คือเพิ่มพูนส่วนแห่งความดีมีประการต่างๆจะเรียกชื่ อ, อย่างไรก็ตาม ส่วนความดีเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นภายในใจิตใจของบุคคลแล้วจะทำหน้าที่สันเลขะคือขัดเกลาสิ่งที่ทรงกันข้ามกับตนให้เจือจางเบาบางลงไปโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งสิ่งเหล่านั้นหมดไปนันเป็นผลสมบูรณ์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาดนั้นลักษณะของธรรมะ ท่านจึงเรียกวสันเลขธรรมคือธรรมะที่เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของบุคคลจึงแสดงว่าภายในจิตนั้นมีสิ่งที่จะต้องขัดเกลวบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงใช้ให้เห็นว่าเป็นทุลีเป็นละอองเป็นฝุ่นเป็นสนิมเป็นโครนต้มอะไรต่างๆที่จริงๆสิ่งเหล่านั้นเป็นรูปธรรม ใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดความเข้าใจอาการของกิเลสวาเมื่อเกิดขึ้นภายในใจแล้วจะมีลักษณะเมืินขุนละอองทุลีโครดตมตรอถึงสนิมต่างๆแต่การขัดเกลาก็ต้องมองเหมือนกับการขัดเกลาวัตถุตามปกติสมัยนั้นทีพย์พุทธเจ้าทรงอุปมามากก็คือพวกวัตถุทองเหลืองทั้งหลายเวลามาขัดเกลาก็ขัด ให้สะอาดไปโดยลาดับเมื่อขัดไปแล้วก็เล็งดูด้วยตาว่าสะอาดจริงหรือไม่แต่ยังไม่สะอาดก็ขัดต่อไปความสะอาดก็จะเพิ่มขึ้นโดยลา ด, ำดำับในขณะใดที่ความสะอาดเพิ่มขึ้นแสดงว่าความสกรปรกในจุดนั้นก็หมดไปจิตใจของบุคคลผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้น ปัญหาสำคัญว่าใครจะเป็นคนตรวจสอบว่าสะอาดหรือไม่สะอาดก็คือคนที่ทำหน้าที่ขัดภาชนะเหล่านั้นนั่นเองเป็นคนตรวจสอบดูตื้นมกัดไปแล้วคนอื่นก็สามารถจะดูได้เข้าใจได้ว่าสะอาดหรือไม่สะอาดแต่ว่าถุงนั้นค่อนข้างสาธารณะคือดูง่าย ไม่ความเมื่อขัดไปแล้วจะวางในที่ใดใครมาพบเห็นก็มองออกว่าสะอาดหรือไม่สะอาดแต่ว่าจิตใจนั้นไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นคือบางครั้งอาการที่ปรากฏข้างนอกเป็นอาการสงบสงเวยมเรียบร้อยสวยงามแต่ภายในอาจจะมีปัญหาก็ได้ เพราะว่ามนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่มีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวเขาเองมนุษย์สามารถคิดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งแล้วก็พูดอย่างเด็กได้ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่เรามีกุศลธรรมมันก็มีลักษณะของอกุศลธรรมซึ่งดูแล้วก็คล้ายๆกับพวกกุศลธรรม ขาดการสังเกตขาดการพิจารณาให้ดีก็อาจะหลงทางได้กร น, นี้่ันสาจารัชงตลายอาจจะมองเลยไปถึงสิ่งที่เป็นรูปธปรรมว่าสุดยอดในสองขั้วที่เป็นรูปธปรรมสุดยอดฝ่ายดีก็คืออาราหันตสมาสัมพุทธ h สุดยอดฝ่ายไม่ดีก็คือมารคือปยาปัน ในตำนานนั้นเราพบ ว, ว่าบางครั้งพญามาปรปลอมตัวมาเป็นพระามบ้างเป็นเทวดาบ้างจะถึงก็ปลอมตัวเป็นพระพุทธเจ้าก็มีตอนปลอมเป็นพระพุทธเจ้านั้นค่อนข้างจะดูยากนอกจากว่ามีการตรวจสอบมีการพิจารณามีการพิสูจน์กันอย่างใดอย่างหนึ่งจะรู้ว่าท่านผู้นั้นเป็นมารหรือเป็นพระพุทธเจา้า แต่คนที่รู้ได้ทันทีแม้จะแปลกปลอมมาอย่างไรก็ตามก็คือพระอระหันต์ปุมาปรากฏในรูปลักษณะต่างๆพอท่านเห็นท่านก็เรียกว่าปาปิมาดูกอดมารผู้มีบาปท่านบอกเรารู้จักท่านแม้ว่าจะมาในรูปลักษณ์อย่างไรก็ตามเป็นมานก็คือเป็นมานแต่ในขณะเดียวกันบางท่านที่แสดงออกมาข้างนอก ดูแล้วไม่น่าจะเป็นการสะท้อนธรรมะแต่ท่านก็รู้ว่านั่นคือการสะท้อนธรรมะเราจึงพบพระเทระบางกลุ่โดยเฉพาะที่เป็นพระอรหันต์องค์ทิวาจาไม่ค่อยจดสุภาพองค์หนึ่งคือพระปิรินทวัตจ ะ, ะเรียกว่าใช้วัสลวัธาคือคำหยาบท่านพูดหยาบของท่านอย่างนั้น มีคนตำหนิตีเตียนท่านว่าเป็นพระทำไมจึงพูดอยากจัางนั้นแต่เมื่อนำมอาอฟองพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งว่าท่านผู้นี้เป็นพระอราหันไม่มีอาสวะกิเลสอยู่ภายในใจแล้วแต่ว่าพระาหาันนั้นละได้เฉพาะ ก, กิเลสละวาสนาไม่ได้วาสนาก็คือสิ่งที่เก็บสะสมไว้ในจิตสันดานร่างเดิม ความโภคความชาติมาเป็นเวลานา น, านจนกลายเป็นลักษณะนิสยัยเป็นอัธยาสายัยเป็นสันดานที่ทํายังไงก็แก้ไขไม่ได้เรื่ออาการทางวาจาที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยจะเดินจะเหินไม่ค่อยจะเรียบร้อยเป็นภาษาลิบุตเรเถรเป็นพระมหาสาวกที่รองมาจากพระพุทธเจ้าทีเดียว แต่บางครั้งดูกริยาการการเดินการเหินการลุกการนั่งของท่านแล้วก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยก็มีคนมาทวงติงตำหนิพระเจ้ารับสั่งว่าเป็นเรื่องของวาสนาบารมีที่ท่านเป็นก็ท่านอย่างนั้นแตลักษณะเหล่านี้จะเห็นได้ว่าคนที่รู้ชัดเจนว่าข้างนอกกับข้างในแม้จะขัดแย้งกันแต่ท่านรู้ว่าจริงๆแล้วก็เป็นในเด็กเดียวกัน หรือบางอย่างข้างนอกเรียบร้อยสวยงามแต่ท่านรู้ว่าข้างในนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่ตัวการสำกัญก็คืออยู่ที่ปัญญาซึ่งเกิดขึ้นทันกับการสัมผสัสเรื่องดอกนั้นถึงมีจริงก็มีแก่ระดับพระอระหันต์หรือระดับที่รองๆ ล, ง, ลงมาแต่ว่าจะตัดสินเด็ดขาดขนาดนั้นก็คงมีเฉพาะพระอระหันต์เท่านั้นเราะการตรวจสอบ กิเลสที่บังเกิดขึ้นภายในใจมันก็ต้องมองคล้ายๆกับการขัดพรชนะดังกล่าวเมื่อขัดไปแล้วก็มองดูขัดไปแล้วก็มองดูขัดไปแล้วก็มองดูไปเรื่อยๆดูๆดให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตเช่นตัวอย่างเราตรวจสอบโออินซีที่เรียกว่าความพร้อมในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมในการได้รับผลของธรรมะนั้น เราดูที่ศรัทธาซึ่งเป็นกุศลธรรมเรามีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็มองอีกทีหนึ่งว่าศรัทธาน่ะมันขัดอะไรกัดเราอะไรหรือขุดเราอะไรออกไปจากใจก็มองดูใจของเราว่าที่เราศรัทธาเนี่ยทำไมเราจึงศรัทธาก็จะพบว่า ท, ที่เราศรัทธานั้นเพราะเราไม่เครือบแคลงสงสัยในสถานะของท่านพุทธัน เราศรัทธาว่าท่านเป็นคนดีเพราะเราไม่สงสัยว่าท่านเป็นคนไม่ดีแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาก็แสดงว่าศรัทธาม่อก็เกิดขึ้นมาจะต้องขจัดความไม่เชื่อออกไปได้ในตอนตอนถ้าเรายังมีความไม่เชื่ออยู่ไอความเชื่อมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็ดูว่าความไม่เชื่อนั้นยังมีอยู่ภายในใจหรือไม่ถ้ายังมีอยู่แสดงว่าศรัทธานั้นก็ไม่มั่นคงอะไร เราไม่ใช่ศรัทธาเลยซ้ำไปแต่ทีนี้เมื่อมองเห็นความไม่เชื่อเพราะความไม่เชื่อไม่มีอยู่ภายในใจก็ดูอีกทีหนึ่งว่าเรามีความเครือข่ายสงสัยอะไรบางแง่บางประเด็นหรือไม่ในกรณี น, นี้ถ้ายังมีความเครือข่ายสงสัยอยู่แสดงว่าศรัทธายังไม่มั่นคงศรัทธายังไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในใจยงง อ, นนอย่างงอนแง่ย่างคลอนแคลนที่ท่านเรียกว่าเป็นอจฉะศรัทธาคือศรัทธาที่ยังหวั่นไหวได้อ่อนไหวไปได้ โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกผัน์ไปในเรื่อ ง, งอื่นๆมันก็มีได้ไง่ายมันก็ดูแล้วคล้ายๆกับเราจะซื้อของแต่ว่าใจเรายังไม่ปักใจว่าเราชอบจริงๆในขณะที่ตกลงจะซื้อกันแล้วยังไม่จ่ายเงินเนี่ยเราอาจจะขอเปลี่ยนก็ได้หรือจ่ายเงินไปแล้วก็อาจจะคืนหรือเปลี่ยนใหม่ก็ได้แสดงว่าอะไรแสดงเรายังไม่แน่ใจในสินค้าตวงนั้นที่เราซื้อหามา หรือเราอาจจะยังพอใจในสินค้าตัวอื่นจึงต้องการมีการเปลี่ยนแปลงความลักษณมการดูจิตใจจึงดูได้แม้ในเรื่องอืง่นเดือมาดูเห็นตรงนี้ก็อาจจะดูเลยไปอีกทีหนึ่งก็คืออะไรก็คือเราสามารถลดความโลภความเสียสละที่เราจะทำต่อวัตถุต่อบุคคลที่เราสัทยาได้หรือไม่ กาแสดงถ้าเราทําได้ก็หมายความว่ากิเลสประเภทโลภะมันก็ลัลงไปแล้วคนที่เราเคยเคารพนับถือศรัทธาหรือกำลังเคารพนับถือศรัทธาอาจจะมีการกระทําอะไรที่สร้างความไม่พอใจให้แก่เราเราโกรธไหมถ้าโกรธก็แสดงว่าศรัทธาไม่มันคุถ้าไม่โกรธก็หมายความว่าศรัทธาเราพัน คนนี้เพิงดูตัวอย่างบุคคลบางท่านที่ศึกไปในสมัยพุทธกาลตามปกติแล้วคนเราเมื่ออยู่ในที่ใดเมื่อทําอะไรไม่ได้มักโยนความผิดได้แก่คนอื่นโยนในแก่สถานที่โยนในแก่ผู้บังคับบัญชาผู้ใดบังคับบัญชาเพื่อนร่วม ง, งานใดก็โยนออกไปเรื่อยๆแต่ผู้ที่ศึกออกไปจากธรรมบิดในในพระพุทธศาสนาในยุคที่พระมุีพระภาคตร์ยาวยังนํารงประชชนอยู่นั้น ท่านจะไม่กล่าวถึงพระรัตนใจในแง่ลบแต่บอกว่าท่านเองมีวาสนาน้อยมีบุญบา ร, รมีไม่มากพอที่จะอยู่ในพระศาสน า, ศาในรูปของความเป็นภิกษุเป็นสามเณรเพราะฉะนั้นก็ขอศึกมาเป็นอุปสมบแสดงว่าจิตใจะอย่างมั่นคงอยู่ในพระรันตนใจไม่มีความคิดจะเป็นปฏิบัติต่อพระรันตนใจ หรือเราต้องการจะดูวิริยะว่าเราเป็นผู้มีความเปลี่ยนทางกายทางจิตจริงหรือไม่วิริยะที่เป็นอินทรีย์นั้นจะต้องกระจัดความเกียดคร้านแล้วความเกียดคร้านบางอย่างเนี่ยมันดู ง, ง่ายๆเช่นเวลาใช้ความเพียรพยายามก็ไม่ใส่ใจถึงดินฟ้าอากาศถึงเวลาถึงสุขภาพพลานา้าใหมของตนเอง าาก็พออยู่ในวิสัยที่จะทำงานได้ก็พร้อมที่จะทาแต่ถ้าคนเกียดตครา้งก็จะอ้างอะไรนะอ่างหนาวนักร้อนนักเชา้าอยู่สายแล้วเย็นแล้วหิวนักกรยนักเป็นต้นแล้วก็พร้อมที่จะไม่ทางานแต่บางครั้งนั้นพวกความเกียรตครานจะมาในรูปของเป็นมารยา คนเกียดคร้านนั้นจะมีลักษณะถนอมตนคือหลงตนเองเป็นหัวเป็นใหญ่ตัวเองกลัวจะเหนื่อยกลัวจะลําบากกลัวจะปวดกลัวจะทุกข์ทรมานแต่ก็กลัวความรู้สึกในคิดของคนอื่นจะมองตนว่าเป็นคนเกียดคร้านแล้วคนเกียดคร้านนั้นจะมีลักษณะเป็นคนทําความผิดหรือว่าเสพยาเสพติดได้โทษหรือว่าคนเมาอะไรแต่ไรต่างๆหรือใครไปว่าเขาติดยาใครไปว่าเขาเมาเหล้าเนี่ยเขจะโกรธ คนเกียรคร้างก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะวิธีที่จะกลบเกลื่อนเขาก็คือต้องมีเลขทเท่ต่างๆไม่ว่างบางั่งติดธุระบั่งปวดหัวปวดท้องบงั่งซึ่งพิสูจน์อะไรไม่ได้เพื่อสร้างเงื่อนไขให้คนอื่นเขายอมรับว่าที่จริงตัวไม่ได้เกียรคร้างหรอกแต่ที่ตัวไม่ทํางานนั้นเพราะขณะนี้ปวดหัวเหลือเกินปวดท้องเหลือเกิน คนก็เห็นใจนะคนเจ็บไข้ได้ปวยอยู่เพราะไม่ทำงานก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจก็อาจจะมีคนมาช่วยเหลือซ้ำไปบางครั้งก็อ้างไม่ว่างไม่มีเวลาหรือว่ารถติดอะไรก็แล้วแต่จะอ้างคือบางอย่างเป็นการอ้างเพื่อทนุถนอมตัวเองเพื่อปกป้องตัวเอง คือต้องการได้สถานะอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้มีความหมั่นขยันแต่เสียทิดเดียวก็มีอุปสรรคขัดขวางเอาไว้จนแสดงความหมั่นขยันนั้นความไม่ได้ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเกียรแคร์าาการวิเคราะห์ตรวจสอบจึงต้องวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในกรณีข้ออ้างทั้งหลายเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นผู้มีความหมั่นขยันแล้วก็ต้องดูให้เห็นภายในใจคือดูที่ตัวเองเป็นหลักเรื่องธรรมะนั้น ที่จริงก็เหมือนกับประสาทสัมผัสส่วนอื่นคือตาหูจมูกลิ้นกายท่านสาชนตั้งหลายจะเห็นว่าคนที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจริงๆนั้นคือตัวเราเองฉันรู้รูปว่ารูปนั้นเป็นยังไงเนี่ยเราก็รู้ด้วยตาของเราเองรู้เสียงว่าเสียงนั้นเป็นยังไงก็เรารู้ด้วยหูของเราเองรู้กลิ่นว่าเป็นยังไงเราก็รู้ด้วยจมูกของเราเองตัรสเป็นยังไงเราก็รู้ด้วยลิ้นของเราเอง รู้เย็นรออ่อนแข็งอย่างไรมากนะ้อยอย่างไรเราก็รู้ด้กายของเราเองแม้จะมีการบอกกล่าวมีการอธิบายที่แจงจากบุคคลอื่นเราก็รู้อย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีส่วนบกพร่องอยู่เราก็จะเสริมสร้างด้วยจินตนาการาต่างตเพราะาธรรมะจึงเป็นสัมผัสทางใจซึ่งเป็นสัมผัสที่หกก็ต่อจากตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไปถึงทางใจ เป็นสิ่งที่เรารู้เราเห็นด้วยใจก็งเราใจเรามีความเพียรเราก็รู้ก็เราว่ามีความเพียรเพราะแนวนี้แหละเราจึงพบแม้ในเรื่อง็ดิดๆเช่นอนาปานสติกาหนรดระลึกรู้ลมหายใจก็สงแสดงว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะ น, นี้เราหายใจออกยาวหายใจเข้ากเข้าสั้นก็รู้ว่าวขณะ น, นี้เราหายใจเข้าสั้น ใจออกสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราใจออกสั้ น, น, าาออนพอมาถึงเวทนาก็ใช้คาอย่างนีน้พอเวลานี้กำลังสวยทุกเวทนาอยู่ก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลางสวยทุกเวทนาอยู่เป็นต Lon ้นพอถึงจิตเราก็ใช้รู้เหมือนกันพอจิตมีราคะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตเราไม่มีราคะเป็นต้นก็ใช้คำามารู้แต่ว่าใครเป็นคนรู้ก็คือเราเป็นคนรู้เอง เป็นการรู้เห็นตามความเป็นจริงที่ปรากฏในขณะนั้นๆแน่ น, นอนจิตใจของสามัญชนนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปแต่ว่าในขณะที่รายงานผลนั้นจิตจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆคือไม่จะดูเห็นเฉพาะดูความเพียรแต่จะต้องดูเห็นความลดไปของความเกียดคร้านด้วยเพราะอะไรเพราะว่าความเพียรนั้นขจัดความเกียดคร้าน ในขณะที่เรายืนยันว่าเรามีความเพี่ยนแต่ยังมีความเกลียดครานก็แสดงว่ายังไม่มีความเปียนก็ทํานองคล้ายๆกับเราบอกว่าเย็นแต่อากาศร้อนก็แสดงว่ายังไม่เย็ น, นเรื่องสติความระลึกได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากคนนี้ท่านปชาชนทั้งหลายจะสังเกตว่าสุดยอดของการปฏิบัติเป็นอาการปกติของพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายนั้น ท่านเรียกว่าสติวิปุโลคือสติสมบูรณ์ไม่มีส่วนบกพร่องตลอดเวลาแล้วก็ปัญญาสมบูรณ์ปัญญาของท่านก็ไม่พร่องทูเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาว่าอย่างไรอีก4ีาปีต่อมาก็าแสดงอย่างนั้นความรู้เห็นในเรื่องเหล่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงพะถึงจุดสุดยอดแล้ว คล้ายๆกเราสัมผัสไฟที่ร้อนเนี่ยมันกี่ยุคกี่สมัยก็ตามอีกล้านปีไปข้างหน้าไฟมันก็ต้องร้อนอย่างนี้เพราะงั้นนี่คือคือสิ่งสุดยอดของเขาแล้วสัมผัส ต, ตัวแกนหลักคือตัวเนื้อหาหลักของสิ่งเดียดนั้นแล้วมันก็เป็นก็ะันอย่างนั้นเองเพราะฉะพอมาถึงสติสตินั้นจะทําหน้าที่กระจัดสติสัมโมสาก็เรียกว่าความเลอะเลือมเลอะเลือนห ล, ล, ลงลืม โดยขาดสติงั้นความมีสติก็ดูว่าความหลงลืมความเลอะเลือนความเผลอเรอความปรงปรายมันมีอยู่ไหมถ้ามีน่ยมีน้อยลงหรือเปล่าหมายความว่าถ้าสติเพิ่มขึ้นความเลอะเลือนหลงลื ม, ลลมเผลอเรอต่างๆก็ต้องลดลงในการเพิ่มกับการลดนั้นมีสัดส่วนที่อิงอาศัยถึงกันละกันตัวหนึ่งเพิ่มตัวหนึ่งต้องลด เป็นวิถีแบบธรรมชาติทั้งหมดไม่ว่าเรื่องเย็นร้อนเรื่องกลางคืนกรางวานันเรื่องหวานเรื่องขมมาแรงต่างสีดําสีแดงสีขาวอะไรก็าตามโดยเจนว่าส่วนหนึ่งเพิ่มแล้วส่วนหนึ่งจะต้องลดลงไปถ้าอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่ตรงกันข้ามยังไม่ลดก็แสดงว่าอีกฝ่ายนี้ก็ยังไม่เพิ่มเราจะมองดูก็ได้นะ ดูก็ได้เอาสีอะไรก็สองสีมาใส่ปนกันเช่นเอาสีขาวกับสีดำมาปนกันใส่สีดำลงไปพอใส่สีดาลงไปในสีขาวเยอะแล้วแต่สีขาวยังเท่าเดิมเนี่ยก็แสดงไม่ได้ใส่สีดำถ้าใส่สีดำนั้นสีขาวต้องลดลงไปแล้วต้องจางลงไปราะการเพิ่มก็ธรรมะก็ดูในลักษณะนั้น บางครั้งเนี่ยทรงกำหนดเอาไว้เป็นรูปของขั้นบันไดที่เราเก้าวไปเช่นสมมติว่าพระเนี่ยทรงวางไวเเ้เป็นสามระดับใหญ่ๆระดับ แ, แรกก็เรียกว่านวากะ ค, คือผู้ใหม่เพิ่งบวชมาก็ตีสวาประมาณ5ปีคือยังเป็นผู้ใหม่อยู่คือจากหปีถึงสิปีปีที่6ถึงปีที่สิบนั้น ก็เรียกมัชิมะคืออยู่ตรงกลางในความบกพร่องที่เคยมีในสายไม่บวชใหม่ๆนี่ต้องลดลงไปความมั่นคงในด้านศีลธรรมจรจัดก็ต้องเพิ่มขึ้นแต่จะบกพร่องไปบ้างก็ไม่ว่ากันเพเป็นเรื่องของการค่อยๆขัดเกลาระนั้นเองแต่พอถึงเลยสิบปัญาไปแล้วก็เรียกว่าเถระคือมั่นคงต้องหนักแน่น ไม่โยกรอนอ่อนไหวไปตามหน้าของอารมณ์ที่กำเนิดขึ้นนี่แสดงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงท่านก็มีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นก็ต้องมีความยิง่งความหย่อนกันเป็นปกติธรรมดาเพราะแม้แต่ระดับพระอหันเองท่านก็เหมือนกันเฉพาะหมดกิเลสเท่านั้นเองแต่คุณสมบัติส่วนอื่นท่านก็ไม่ทัดเทียมกันนี่ยิ่งมีหย่อนกันอยู่ที่ในฝ่ายของอุบัติสกอุบาสิกา จริงๆถ้าเริ่มต้นมาจากการสมาทานศีลคือประกาศตนถึงพระรัตนตรัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบปสิกาแล้วเป็นผูุใกล้ชิดต่อพระรัตนตรัยแต่ว่ายังไม่มีการสะท้อนธรรมะออกมาหมายความว่ายังไม่ได้แสดงให้เห็นเนื้อหาการปฏิบัติตนผสมกลมกลืนกับคุณของพระรัตนตรัยกายก็ยังไม่สะอาดวิจาก็ยังไม่สะอาด ไอ้ใจนั้นจะเป็นยังไงก็ดูไม่ได้เพราะว่ามันต้องสะท้อนที่กากระิวจารไปก่อนเพราะั้นความเป็นอุบาสกปฏิการท่าสาชนทั้งหลายจะมองเห็นว่าในคุณสมบัติของอุบาสกปฏิกาที่เราเรียกภาษาไทยว่าสมบัติอุบาสกสมบัติปฏิการจึงเริ่มต้นที่ศรัทธา มาความศรัทธาระดับแรกๆเอาขนาดประกาศตนถึงพระรัตนตรยัยพุทธังธรรมังสังขังสรังกัจฉามีก็ใช้ได้คนระับแต่ว่าต้องสะท้อนออกมาอีกทีหนึ่งว่าท่านสัมผัสคุณของพระรัตนตรัยอย่างน้อยที่สุดระดับศีลท่านจึงกำหนดด้วยศีลแล้วก็ศีลที่เป็นหลักนั้นก็คือศีลห้าไม่ใช่ศีลนุบสศศีลนุบสศนั้นเป็นศีลพิเศษออกไปแต่นั้นเอง ก็ เ, เป็นเรื่องของคนกลุ่มไม่มากที่มีความเชื่อมัน่นในตัวเองสามารถ ร, รักษาได้ก็สมท า, านไปแต่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไข บ, บังคับโดยพระเจ้าก็ไม่ได้มีพระประสงค์จะให้ปฏิบัติตลอดเดือนก็เอาแค่เดือนละสี่ครั้งลองดูแล้วก็ใครจะพิเศษออกไปก็อาจจะรักษาศีลแปะตลอดก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นเป็นความสมัครใจของท่าน ท่านทำไม่ได้เป็นเรื่องที่ควรแก่การเห็ินใจท่านท่านทำได้ก็เป็นเรื่องที่ควรในการอนุโมทนาท่านเพราะก็มาดูที่สีหน้านั้นแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอาการทางกายทางวา จ, จา ก, ก็ไม่เปลี่ยนเบียนประทุิร้ายคนอื่นละแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อนั่นเองก็ต้องแสดงให้เห็นว่าอยู่ในกฎข้อเหตุผลหมายความยังไงความมีปัญญา ความเชื่อในกฎของกรรมนั้นเป็นปริมาณของปัญญาที่เพิ่มขึ้นเพราะการยอมรับนักถือกฎของกรรมจะต้องอาศัยการคิดวินิพิจารณาศึกษาจากข้อมูลต่างๆสภาพแปดล้อนต่างๆเงื่อนไขต่างๆ เ, เข้ามาประกอบเป็นเครื่องมือในการตัดสินวินิจฉัยถึงกรรมผลของกรรมและการาทัดสินศาตรต่างๆเป็นภพกิกรรมเป็นของของตน แล้วนี้ก็คืออาการขัดเกลาวที่ปรากฏมาเป็นรู ป, ปรธรรมเป็นความเคลื่อนไหวเป็นปกตินิสัยของท่านหลาดนั้นก็ตามแต่ท่านจะขัดเกลาได้ไปขัดเกลากันได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นบุญของท่านคนนั้นเองเพรา ะ, ะเราก็ตรวจสอบดูที่ตัวเราตามนายากของพระธรรมคุณบทที่สวดกันว่าเอฮิปัติโกหรือให้มาดูมาชมมาพิสูจน์มาทดสอบ คนนอกที่ยังไม่มานับถือรพุทธศาสนา น, นั้นก็มาพิสูจน์ทดสอบในเชิงปริยัติก่อนไปนศึกษาระดับจบฟังแล้วก็นําไปคิดดูก่อนแต่คนในที่นับถือพรพุทธศาสนาแล้วมีความผ่านการศึกษามาแล้วมันก็มีการพิสูจน์ทดสอบโดยการปฏิบัติด้วยแล้วก็ดูผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ ทำให้คนรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นอะไรไม่มีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมันก็คล้ายๆกับนักเรียนที่เรียนหนังสือไปแล้วดูโน้นก็ยังไม่เข้าใจดูนีน้ยังตอบไม่ได้ตัวนั้นก็ยังไม่มั่นใจมันก็ต้องรีบเร่งแล้วเดียจะสอบตกเพราะฉะนั้นคนเราทั่วไปก็มีลักษณะอย่างนั้นตรวจสอบดูจิตใจก็ตัวเองดูความเพิ่มขึ้นของธรรมะดูการลดไปของกิเลส ถ้ามองเห็นมันก็เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นถามองไม่เห็นก็เกิดสลดใจทีนี้การมองนั้นก็ค่อนข้างจะยากเยอเพราะตามปกติคนเราทะนุถนอมตัวเองห่วงใยตัวเองรักตัวเองจึงเข้าข้างตัวเองแล้วจนถึงก็หลงตัวเองจะได้ทรงแสดงว่าโทษบุคคลอื่นนิดได้ง่ายโทคนตในในิดได้ยาก แต่บัณฑิตนั้นจะเพ่งเล่งที่โทษตนเองคนพานั้นจะไปเพ่งเล่งที่โทษคนอื่นเพราะเป็นผู้คอยหาช่องหาความผิดของคนเด่นแต่วิธีการรู้สาสนานั้นเป็นแนวของบัณฑิตคือเพ่งดูโทษตัวเองตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขไปนิจพิจารณาไปในระดับของการปรึกปรืออบรมบุคคล ที่กำหนดให้ผู้บวชมาต้องมีอุปชายะถ้าถามว่าคําว่าอุปชายะเนี่ยแปลว่ายังไงแล้วก็มีหน้าที่อย่างไงอุปชายะนั้นแปลว่าผู้เข้าไปเพ่งโทษน้อยใหญ่คือตรวจสอบดูความประพฤติของลูก ศ, ษศรริษย์ที่เ ร, รียกว่าสัตย์ที่ประเรศมีการดุดา่ามีการตําหนิมีการลงโทษมีการอบรมสั่งสอนมีการฝึกปรือกันด้วยวิธีการต่างๆก็แก้ไขไปเรื่อยๆ ก็ทำนองการขัดภาชนะทำนองการทุกขพื้นทำนองการทำงานต่างๆคือทำไปก็แก้ไขปรับปรุงไ ป, ไปเพิ่มเติมตัดต่อไปเรื่อยๆจนกว่ า, า จ, จะใช้งานได้นั้นหมายความว่าเราไปทำกับสิ่งอื่นเวลาทางนจิตเราก็ทำอย่างนั้น แล้วความมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตัดต่อกันว่ากันไปก็แล้วแต่ตรงไหนแต่นั้นเราทำกับเราก็ค่อนข้างทำยากแต่ว่าทางวัตถุสิ่งของมันกลับทำง่ายพระเจ้าจึงทรงแสดงว่าแต่ยินว่าตนนั่นแล้วฝึกได้ยากยิ่งบุคคลสามารถฝึกอะไรแต่ไม่อะไรได้มากมายกายกอง ขับยานพานะขนาดมหึมาได้คนคนเดียวสามารถควบคุมยานพานะขนาดใหญ่โตโมาาลานได้แต่บางทีก็คุมตัวเองไม่ได้แตแสดงให้เห็นว่าการขัดเกลาตัวเองนั้นยังไม่มากพอที่จะควบคุมตัวเองได้ในอการปฏิบัติจึงทรงสอนในรูปของให้สํำนึกว่าเรานั้นเป็นที่พึ่งของเราเอง จึงตอกย้ำให้มีการพิจารณาตนด้วยตนตรจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนแลีวแก้ไขปัญหาที่ตนด้วยตนเองจิตตนึกในแนวพุทธจึงเป็นลักษณะของผู้ตื่นตัวที่เรียกว่าเป็นพุโทโธคือตื่นรู้แล้วก็ตื่นมีปัญหาแก้ไขมีปัญหาข้อบอกพร่องอะไรก็พยายามปรับปรุงแก้ไขไปโดยลงพาง และการกระทำนั้นไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายๆ ย, ยึงทรงใช้ับว่าอบรมกระทำไม่มากกระทำบ่อยๆกระทำจนเป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่อาศัยของจิตซึ่งเราก็เทียบดูเรื่องอื่นก็ได้เราทำงานอะไรก็ตามจะเห็นว่าจะเป็นการดัดการถากการถูการใส่กบการจะทาเลกเกิดอะไรก็ได้ มันทําแล้วทําอีกทํำบ่อยๆทำอย่างต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะใช้งานได้การตังกับวัตถุสิ่งของเป็นเครื่องมือในการสะท้อนการฝึกปรือปฏิบัติขัดเกลาในทางจิตใจได้เป็นอย่างดีเมือ่อบุคคลสามารถทางวัตถุสิ่งของข้างนอกได้แก้ไขเปลี่ยน แ, แปลงปรับปรุงเสริมสร้างคุณภาพของสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาได้แต่ก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นแต่ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเราใช้ได้ชั่วคราว แต่แล้วก็แตกทำลายไปแล้วเราก็ต้องตายไปแต่การขัดเกลาจิตใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางจิตได้มีความสงบได้มีความประณีตหรือพูดสำนวนไตรทิขาว่าให้สะอาดสงบสว่างขึ้นมาเนั้นเป็นผลเรียบงวยประโยชน์สุขให้ทั้งในขณะนันนั น, นขณะต่อไปแล้วก็ควกชาติต่อต่อไปตลอดถึงอุปนิสัยปัจจัยแห่งมกุนิพพานต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป